มาต่อไปตั้งใจสมาทานศิลก่อนที่จะสมาทานศิลหลวงพ่อจะทำความเข้าใจกับพี่น้องลูกหลานเพื่อให้รู้ว่าศิลห้ามีคุณค่ายางไรมีประโยชน์อย่างไรต่อชุมชนต่อสังคมต่อประเทศชาติต่อโลกและศิลห้าเป็นมาอย่างไรใครเป็นคนบัญญัติอ่ เกิดมายาวนานเท่าไรหรือว่าเป็นบรรพ บ, บุรุษของประเทศชาติธรมชาติไทยของเราเป็นผู้บัญญัติขึ้นอันนี้ก็จะทำความเข้าใจกับให้พี่น้องลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังพอบางท่านพ อ, เ, อเกิดขึ้นมาแล้วก็ไปเรียนหนังสือพอเรียนหนังสือจบปถมมัธยม ปริญญาตรีโทเอกก็ไม่ได้สนใจไฝ่ในการศึกษาฝ่ายธรรมะมีแต่เรียนทางโลกไปแล้วก็จบวันนั้นจะให้รู้เรื่องของพระพุทธศาสนาให้ถี่ถ้วนถูกต้องก็คงจะยากถ้าเว้นเสียแต่ผูกไฝ่ใจในการศึกษาจริงๆจึงจะรู้ พราท่า น, นขณะนี้คณะจทธายาตโยมทุกท่านที่มาสู่วัดของหลวงพ่อหลวงพ่อจะทำความเข้าใจกับคณะญาติโยมลูกหลานอยากน้อยก็ได้ยินได้ฟังจากนั้นก็ได้นำไปแนะนำสั่งสอนลูกหลานพูดต่อๆกันว่าศีลห้าของพระพุทธศาสนามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรอันดับแรก ที่พวกเราได้กล่าวอาราธนาขนาดอาราธนาก็เป็นสองอย่างมอย่างพันเตติสระเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะอันนี้ก็คืออาราธนาหนึ่งอาราธนาสองกัมอย่างพันเตวิสุงวิสุงรักณัตถายะติสระเนนัสหะปัญจะศีลานิยาจามะ ทำไมอาราธนาสินห้าทำไมไม่พูดเป็นมาตรฐานเดียวกันทำทำไมจึงเป็นสองมาตรฐานพวกเราก็จะสับสนอีกเหมือนกันเพราะพวกเราไม่ได้เรียนบาลีแต่แปลเป็นบาลีออกมาแปลเป็นภาษาไทยออกมาแล้วกับมายงพันเตติสระเนรสาปันจะศิลานิยาจามะถ้าพระเจ้าจะรักษาสิน ห้าทั้งห้าข้อให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งห้าข้ออันนี้ก็คือปัญจแต่วิสูงวิสุงรักนัดถายยะค่าพรเจ้าจะรักษาศี่ห้าเป็นข้อข้อตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อห้าคือรักษาเป็นข้อแค่แค่หว่าเมื่อเรารักษาสมาธานไปแล้วเราขาดศินข้อที่หนึ่ง เคยตบยุ่งเนี่ยแล้วว่าฆ่าสัตดศินข้อที่หนึ่งก็ขาดไปข้อที่สองอธิษฐานขโมยของเขาศินข้อที่สองก็ขาดไปข้อที่สามละลาบละลวงสามีภรรยาคนอื่นของเขาอันนี้ก็ขาดไปข้อที่สี่มุสาโกหกคนอื่นเ้าขาดไปข้อที่ห้าดื่มสุราแล้วก็ขาดไปขาดเป็นขข้อแต่ศินห้า บรรจาศีลาในแปลว่าแปลว่ารักษาศีลรวบรวมกันแล้วก็ถ้าทำผิดข้อหนึ่งแล้วก็แปลว่าไปทั้งทีมเพราะนั้นโบราณยุคลังหลังขึ้นมานี่ก็เลยมาแบ่งกันเอแต่หลวงพ่อว่าไม่น่าจะไม่น่าจะถูกหรอกแต่ตามไม่จริงถ้ารักษาก็ควรจะรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ควรจะ ทำขยึกขยักแ่บงั้นะเวลาพวกเราอยากจะรวยพวกเราก็ไม่เห็นว่าเอาเก็บธนบาทรธนห้าสิบตะตังใช่ไหม เ, เก็บเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไปเลยมันรวยทีเดียวเลยไม่ใช่เหรออยากจะรวยอย่างนั้นใช่ไหมไม่ควรจะเก็บธนบัตรธนรัตตังเพราะฉนั้นถ้าเรารักษาทั้งทีควรจะรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ วันนี้ก็เหมือนกันเป็นวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งที่พวกเราได้มาพักผ่อนนอนในวัดของหลวงพ่อหาได้ยากนานทีพวกเราจะได้มานอนอย่างนี้เพราะนั้นขอให้พวกเราเป็นผู้มีศีลรักษาศีลรักษาธรรมถ้าไม่จาเป็นยิ่งยาให้ศีลขาดในวันนี้คืนนี้ศีลข้อที่หนึ่ง อันดาแปหลุงพ่อจะพูดเกี่ยวกับบาลีซะก่อนเนี่ยบาลีก็คือหลวงพ่อจะเป็นผู้พานาว่านะโมในเมื่อพวกเรารู้จักสิทธห้ามีสองมาตรฐานแล้วนะวิสุงวิสุงกับปัญจศีลาทีนี้หลวงพ่อจะเป็นผู้พานาว่านะโมนะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้าไปเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันนี้คือคําแปลนะโมที่ว่านะโมสามจบคือพูดอย่างนี้ถึงสามครั้งคือนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นอะไรจึงนอบน้อมเพราะพระพุทธเจ้าเป็นต้นาศาสดาเป็นต้นพระพุทธาศาสนาเป็นต้นความคิดที่ประกาศพระาศาสนาออกมาเนี่ยคือพระพุทธเจ้า เพราะนั้นเราจรึงเราจะรับสินของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้นี่นามาประพฤติปฏิบัติพวกเราพวกเราเห็นคุณค่าว่าสินของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชุมชนต่อโลกเพราะนั้นข้าพเจ้าจึงขอน้อมรับสินของพระพุทธเจ้าจึงนอบน้อมบรมวครูและต้นศาสดาต้นพระศาสนาต้นความคิดนี้นีว่านอบน้อม แสดงความเคารพยิ่งจากนั้นก็พุทธทางสระนางคัจฉามิทำมังสังขังสระนางคัจฉามิดุติยมปีพุทธทางทำมังสังขงังตาตียำปีพุทธทางทำมังสังขังสระนางคัจฉามิข้าพรเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งยืนยันถึงสามครั้งนดุติตาตินะยศพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ พราะพรุทธเจ้าเป็นบรมครูต้นต้นาศาสนาต้นพระพุทธศาสนาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวส่วนพระธรรมคือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดจรูปพระธรรมจากนั้นท่านก็นําพระธรรมคําสอนออกมาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษา 84% ดหมพันพระธรรมมะขันมีมากมายแต่พวกเราศึกษาแล้วรวมแล้วจะเป็นทั้งคดีโลกและคดีธรรม เป็นเครื่องนําจิตใจของพวกเราให้มีความสุขความเจริญจะไม่มีความทุกตกทุกใด ย, ยากเลยถ้าปฏิบัติตามทำคําสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระสงฆ์สังฆังคือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนแล้วได้ฟังทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วออกบวชและประพฤติปฏิบัติธรรม จนรู้แจ้งเห็นจริงจากนั้นก็ได้นำธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแต่ถ้าว่าไม่มีพระสงฆ์เป็นผู้นําพระธรรมมาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราพวกเราก็คงจะไม่ได้รับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพวกเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งของพวกเราจากนั้นก็ หลวงพ่อจะเป็นผู้พานาว่าเป็นองค์ศีลเป็นข้อข้อเนี่ยปาณาติปาตาเวระมะนีสิขาปะทางสามาทิยามิข้าไปเจ้าจงงดเว้นในการฆ่าเขามาฆ่าเรารอไปฆ่าเขาด้วนแล้วแต่ทำให้คนอื่นเสียใจถ้ารองเขามาฆ่าเราเราก็เสียใจข้าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราวงศสาคนายาทของเราเราก็เสียใจ ถ้าเราไปทำให้แก่คนอื่นเขาก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศิลข้อที่หนึ่งอย่าคิดค่ากันนะพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันนะสินมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชุมชนต่อโลกอย่างมากถ้าพวกเราไม่คิดค่ากันแล้วโลกทั้งโลกก็สงบร่มเย็นเป็นสุขไปน่าสถานที่ใดก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ละแวงแคลงใจกันเพราะเหตุไรเพราะ ไปที่ไหนก็เป็นผู้มีศีลธรรมประจำจิตประจำใจประจำตัวของแต่ละแต่ละบุคคลอันนี้คือศินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานาวีรมณีอย่าขโมยคนอื่นเขานะถ้าเราไปขโมยเขาขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเขามาเรียกฆ่าไท่ขโมยรถหรือขโมยสิ่งของของคนอื่นเขาเขาก็เสียใจ ถ้าเขามาขาโมยของเราก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะไปกันแกล้งจะไปคิดจะไปขโมยคนอื่นเขาจะไปเบียดบังทรัพย์คนอื่นเขามาเป็นของตนเองอันนี้คือสินข้อที่สองข้อที่สามกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครเขาก็รับสังนวนห่วงแหนของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราก็เช่นเดียวกัน พอเหตุนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันเพราะต่างคนต่างมีมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีสามีภรรยาเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์กันให้เอาใจเขามาใส่ใจเราอันนี้คือสินข้อที่สามข้อที่สีมุสาวาทาเวรมณีจะไปโกหกต้มตุน๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุน๋นหลอกลวงโกหกคนอื่นเขาเขาก็เดือดร้อนเสียอกเสียใจ เพราะว่าการต้มตุนหลอกลวงทุกวันนี้มันไฮเทคเหลือเกินมีหลายวิธีกับวิธีการขนาดเงินอยู่ในธนาคารยังขยับกระเยื่อนออกมาได้เพราะโกหกต้มตุนหลอกลวงกันเพราะนั้นถึงจะทำยังไงก็ตามเราเป็นผู้รู้ถ้าเราไปกระทำให้คนอื่นเขาถ้าเขามาทำให้เก่ยเราอย่างนั้นเราเสียใจไหมถ้าเขามาทำให้เก่ยเราเราเสียใจ เราก็ไม่ควรจะทําให้คนอื่นเขาเนี่ยนี่แหละสินของพระพุทธเจ้าศินข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชฌะปมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราเมื่อขาดสติแล้วทําความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างเพราะเหตุใดเพราะคนขาดสติเมื่อคนขาดสติเอเขามีสัตราอาวุธในมือมีปืนผาหน้าไม้มี ของแหลมคมมีมีดมีดาบอยู่ในมือของเขาแต่เขาขาดสติพวกเราคิดดูกันแล้วกันอันตรายในพะนันก็รู้อยู่แล้วว่าการดื่มของมึนเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮลูอินยาบ้ายามาถ้าดื่มเข้าไปแล้วต้องทำให้ขาดสติในเมื่อขาดสติแล้วกนะ็ขาดการยับยัง้ง ขาดการยังคิดในเรื่องต่างๆเพราะคนขาดสติทำความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ของไม่มีควมไม่มีความรู้สึกเพราะเหตุใดเพราะคนขาดสติขโมยของใครก็ได้ลาลาบลารวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกต้มตุนหลอกลวงใครก็ได้เพราะเหตุใดเพราะคนขาดสติเพราะนั้นสินข้อที่ห้าก็เป็นศินอันตราย ถึงจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็จริงแต่เราดื่มเข้าไปแล้วมันขาดสติเพราะนั้นให้พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินห้าประการให้แก่อุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทของพระองค์ให้เป็นผู้ส้ำรวมให้เป็นผู้ระวังศินห้าข้อถ้าเรามาเปรียบเทียบประมวลลงมาแล้วสรุปแล้วก็คือว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าว่าเราไม่ต้องการอย่างนั้น เราก็ไม่ควรทำให้คนอื่นเขานี่แหละคือศีลของพระพุทธเจ้านี่แหละขอให้พวกเราคณะสัตยาติโยมทุกท่า น, นเมื่อได้ยินแล้วนำไปคิดนำไปพิจารณาไรตรตรองดูซิว่าศีลและธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์และสมควรให้แก่ใครเป็นผู้รักษาเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกทุกท่านทว่าพวกเราต้องการความสงบร่อเย็นเป็นจุ ในชุมชนของพวกเราพวกเราต้องเทิดทูนบูชาศีลห้าศีลธรรมของพระพุทธเจ้าพวกเราจะได้รับแต่ความสงบพรมเย็นเป็นจุกท่วนหน้ากัดแต่ถ้าหากว่าพวกเราขาดศีลห้าแ่อย่างเดียวเท่านั้นหาความไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้ในชุมชนของพวกเราเป็นที่รับแวงแคลงใจกันอยู่ตลอดไม่รู้ว่าใครจะออกมาไม้ไหนตรวจแล้วตรวจอีกตรวจแล้วตรวจอีก ก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่าเลี่ยเรียมในการคดโกงมีมากเลเกินในยุคสมัยนี้แต่หาว่ามีเป็นผู้มีศีลธรรมที่อย่างเดียวความช่อฉน ค, คดโกงทั้งหลายก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้เพราะนั้นศีลห้าของพระพุทธเจ้าเป็นศีลดึกํำบันเป็นศีลมาตั้งแต่โบ ร, โบราณเป็นศีลก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก ถ้าพวกเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกพวกเราจะรู้ว่าศินห้าประการเนี่ยเป็นศินของหรือสีชีพัยเป็นศินก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเเพราะนั้นขอให้คณะาญาติโยมลูกหลานทุกคนเนี่ยเป็นผู้มุ่งมั่นในศีลธรรมและโลกทั้งโลกก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุขนะในเมื่อพวกเรารู้ที่ไปที่มารู้เรื่องศีลธรรม มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรแต่แล้วตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลต่อไปนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสธาเยสาทุะอาลาธนาเทศพร้อมกันนะ มจจโรกาที่ปฏิสัมพันการอัญชลีอันจีวรังอายดาธาสันติทัศนตา ปาราชามคชาติกาเอเสตุธรรมามอนุกรรมวิมังปารา ม, มนี่นะคือการเรียนรู้เพื่อการศึกษาถ้าว่าพูดแต่คนเดียว นสถานที่ใดงานบุญงานกุศลอาราธานาสินก่าคนเดียวอาราธานาพระปฤิกัคนเดียวแล้วก็สมันตากับพระสงฆ์เป็นผู้สมันตาเชิญเทวดาอาราธานาธรรมก็พูดคนเดียวเวลาคนทายกไม่มาคนเดียวเท่านั้นนหะพวกเราก็นเลยมองหน้ากันลกหลือกลับหรือหลักองทําทำอะไรไม่เป็นเพราะนั้นถ้าพวกเราทำ พูดกันพร้อมกันอาราธนาศินพร้อมกันอาราธนาธรรมพร้อมกันอาราธนาพระปริศพร้อมกันกาวสมมันตาเทพเจ้าเหล่าเทวาพร้อมกันนี่แหละอันนี้คือสาชนะพิธีเนีเป็นพุทธเมื่อพุทธบริษัทพวกเราทําพร้อมกันฟังฟังดูแล้วก็เป็นทฤษที่เจริญตาเจริญหูเจริญใจแก่ผู้ได้พบเห็นะ ฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านฝึกฝึกเอาไว้นะนี่แหละอาราธนาธรรมพูดอย่างวันนี้ถูกต้องแล้วแล้วก็ตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้แสดงธรรมกล่าวสมโม ท, ทนิยกถาปารับเรื่องงานในวันนี้นะนงานวันนี้เป็นงานเริ่มงานกระถินสามมุขีพวกเราท่านทั้งหลาย ก็ได้มาจากจารตุรทิศมาจากหลายแห่งหลายหนที่มาพักณนะวัดกองหลวงพ่อแห่งนี้แต่พี่น้องกรุงเทพด้วยมากก็คงจะมาทํามาทอดกรถินวัดองค์หลวงตาเมื่อเช้านี้แล้วก็จากนั้นก็พี่น้องชาวกรุงเทพรู้จักมักคุ้นวัดไหนก็ต่างคนก็ต่างไปสู่วัดนั้นๆ แต่พวกเราท่านทั้งหลายก็ได้มาสู่วัดหลวงพ่อเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่ามาวันนี้ก็มาพักที่วัดขวงหลวงพ่อหลวงพ่อก็ให้เป็นผู้พานําสมาทานศีลก่อนเมื่อไหวพระย่อแล้วก็ทำธามาศารศีลพราะเมื่อเข้ามาสู่วัดว า, าศาสนาก็ควรจะทากายวาจาให้สะอาดากายวาจาให้เรียบร้อยจากนั้นก็ เมื่อกายวาจาเรียบร้อยใจของเราก็จะมีความสุขเพราะว่าเราไม่ได้คิดเบียดเบียงคนอื่นใครเขาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวสินห้าประการนั่นคืออะไรพวกเราก็ได้สมาทานศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยให้สะอาดและก็วันพุ่งนี้พวกเราก็จะได้ทาบุญทาทานจิตใจเราสะอาดทั้งคืนและก็วันพุ่งนี้เราก็จะได้ถวายผ้ากฐิน กรถินสามัคคีที่พวกเราได้ร่วมกันถวายวัดแต่พวกเราก็ได้รวบรวมถวายวัดได้สมทบวัดอื่นมาอย่างวัดหลวงตาพวกเราก็ได้ร่วมกันทําบุญแต่มาวัดนี้พวกเราก็จะได้ร่วมกันทํากรถินสามัคคีถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธศาสนาอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย พระพุทธศาสนาเป็นของใครเป็นของพระอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่ใช่เป็นของพุทธบริษัทสี่อุบาสกอุบาสิกาภิกษุสัมมณีมีส่วนร่วม เ, ออเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ธนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองไปได้ต้องอาศัยพุทธบริษัทสี่มีความพร้อมเพียงสามคีกันแต่ว่าพวกเรา มอบให้แต่พระสงฆ์เป็นผู้ดูแลอย่างเดียวเพระพุทธศาสนาเป็นได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ต้องอาศัยพุทธบ ร, ร, ริษัทสี่มีความพร้อมเพียงมีความสามัคคีกันต้องเป็นผู้ทนุถนอมต้องเป็นผู้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งกันและกันเพราะนั้นในวันนี้พวกเราจะได้มาพร้อมเพียงสามัคคีกันเพื่อทอดผ้าพระกทิน สู่วัดวาศาสนาเพื่อจะได้สร้างท้าวรวัตถุให้พวกเราได้เป็นที่พักพิงอย่างศาลาหลังนี้จะให้พระสร้างทีเดียวโดยที่ไม่ได้อาศัยเจตุปัจจัยศรัทธาญาติโยมเสียเลยจะทําได้หรอือทําไม่ได้เนี่เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยเจตุปัจจัยจากศรัทธาญาติโยมจากจารุรทิสมาร่วมกันจึงได้สร้างศาลาและที่ที่พักพาอาศัย ที่ต่างๆรวนแล้วตั้งแต่อาสายศรัทธาญาติโยมจอสุปัจจัยของศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมกันบริจาคมากบ้างน้อยบ้างจากนั้นก็ได้รวบรวมและสร้างท้าววอนวัตถุจากพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นที่พักพาอาศัยถนนโห น, นทางกุฏิศาลาห้องน้ําไฟฟ้าน้ําประปากันรวนแล้วแต่เป็นเงินทางนั้นไม่มีใครที่จะเสียคาถาเป่าฟูดฟาดขึ้นมาแล้ว มันเกิดขึ้นมาด้านวัตถุเลยไม่มีแล้วก็อาศัยศรัทธาญาติโยมจากนั้นในเมื่อศรัทธาญาติโยมได้สวายทิตตุปัจจัยนไทรยธรรมแล้วทางวัดพอเป็นไปได้พอเป็นไปได้คือไม่เดือดร้อนทางวัดก็จะต้องได้ช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างวันนี้ก็มีคนมาขอโรงเรียนฝั่งขอเครื่องไม้เครือมือเหล่านี้หลวงพ่อก็ไม่เคยปฏิเสธ ถ้าว่าพอที่จะแบ่งปันได้ก็แบ่งปันสร้างมงสร้างเมนที่เผาศพอย่างปีที่แล้วก็ได้สร้างเมนที่วัด ป, าป่าบันห้วยทรายแล้วก็สร้างสะพงสะพานสร้างทางนง n g ทางน้ำให้แก่วัดวาศาสนาจากนั้นก็ได้ลงร่ำโรงเรียนเนี่เดี๋ยวนี้ก็นี่แหละจตุปัจจัยที่พวกเราจะถวายวันพรุ่งนี้ แลุงพ่อก็ได้เตรียมพร้อมที่จะซื้อเครื่องมือแพทย์อันนี้เป็นการแจ้งข่าวการกุศลไม่ใช่ลุงพ่อขอเพิ่มนะอันนี้เป็นรตวัดปัจตุปัจจัยศรัทธาญาติโยมคงจะถามเพราะเดี๋ยวนี้บางคนก็หนาหูขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันไม่ควรจะถวายปัจจัยพระฮะพูดอย่างนั้นได้แต่ตัวเองจะต้องการแต่ไม่ถวายถวายพระไม่ได้ก็เหมือนกับพระในโง่เง่าเต่าตุต่มละเกินแต่ตามไม่จริง ไม่ว่าพระไม่ว่าโยมถ้าว่าใช้ปัจจัยในมาในทางที่ไม่ถูกต้องแล้วรุวนรุนแล้วจะเสียหายทั้งนั้นเงินญาติโยมก็เหมือนกันถ้าใช้ได้ปัจจะตุปัจจัยได้เงินมาแต่ใช้ไม่เป็นก็เสียหายเหมือนกันเสียหายยังไงในเมื่อพวกเราได้เงินมาแล้วก็เนี่ยไปชื่อคันชายาฝิ่นไปซื้อเหล้ามากินอย่างเนี้ย จากนั้นก็ฆ่าฟันลันแพงกันเพราะมันเมาจากนั้นพอได้เงินมาแล้วโกรธโมโหโกรธาผูกพยาบาทอาฆาตเขาก็จ้างคนนี้ไปฆ่าคนนั้นจ้างคนนั้นไปฆ่าคนนี้กันล้วนแล้วแต่เป็นเป็นพิษเป็นภยัยเป็นโทษทั้งนั้นเพราะเหตุไรเพราะใช้เงินไม่ถูกต้องเอเงินตัวนี้มันใช้ไปที่ไหนมันก็ทำได้พระวัดวาศาสนาก็เช่นเดียวกันถ้าว่าพระที่ได้จิตุปัจจัยมาแล้ว ใช้ไม่เป็นก็เป็นพิษเป็นภัยต่อพระศาสนาเป็นพิษเป็นภัยต่อพระสงฆ์องค์นั้นๆเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสักกโรภริสังหันติสักกโรภริสังหันติลาบสักการะย่อมฆ่าบุคคลโง่ให้ตายลาบสักการะย่อมฆ่าบุคคลโง่ให้ตายอันนี้นท่านไม่ได้ว่าถ้าบาคคลโง่ในสิ่ง ที่ได้มาคือราบจักกกละนั้นก็ทําค่าให้คนนั้นให้ตายได้ไม่ว่าพระไม่ไหวญาติาวหวโยกเพราะเหตุใดเพราะใช้ไม่รู้จักประมาณใช้ไม่รู้จักในการดูแลรักษาเหมือนกับเรามีไฟแต่เราไฟนั้นเอามาใช้เพื่อหุงต้มอาหารเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่เราเอามาใช้เผาบ้านเผาเรือนซะเอามาเผาคู่เผาคนซะอย่างนี้ อแปลว่าใช้ไฟผิดประเภทถ้าว่าเราใช้ให้เป็นมันก็เกิดประโยชน์มีดอพ า, าของเราก็เหมือนกันเราใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์แต่เราได้มีดมาแล้วเอาทิ่มเอาแทงเอาฟันคนอื่นเข า, เาและเป็เงี้ยเลยมันก็เกิดโทษ น, นี้ก็เหมือนกันเงินกระยอนลักษณะอย่างนั้นถ้าเรารู้จักวิธีการใช้ มันก็เปิดเกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อต่อบุคคลนั้นๆไม่ว่าใครทั้งหมดถ้าหาว่ารู้จักวิธีใช้มันก็เกิดประโยชน์อย่างวัดวาศาสนาอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อพยายามเมื่อได้มาแล้วก็สร้างทวารวัตถุพอเป็นไปคณะจัทต า, า, าญาติโยมทั้งหลายคงจะแปลกใจเหมือนกันในเวลามาเนี่ยหาที่จะพักพ่อ น, นอนไม่ได้เพราะเหตุหลายบุกคลมันแน่นแต่หลวงพ่อไม่ใช่หลวงพ่อไม่คิดนะหลวงพ่อคือคิดเหมือนกัน แต่ถ้าว่าคิดแล้วก็เห็นพี่น้องศรัทธาญาติโยมมามากแล้วก็มาสร้างพระวรวัตถุขึ้นมาเพื่อรองรับคณะศรัทธาญาติโยมแล้วคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานมาพักเพียงคืนเดียวแล้วกหนีไปแล้ววัดเจนาสถานที่สร้างขึ้นมานั้นใครจะเป็นผู้ดูแลรักษาเป็นที่อยู่ของตุ๊กแก่จิ้งเหลนจิ้งจบเอาจากนั้นก็นขี้ขังโคงขี้พ้างคาวเต็มไปหมด แล้วใครเป็นผู้รักษาวัดวาศาสนาพระสงฆ์ที่มาตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมก็เลยเป็นภาระในการดูแลเสนาชนะเหล่านั้นเพราะนั้นหลวงพ่อจึงไม่คิดสร้างจนเกินไปคณะสัตยาญาติโยมญาติโยมโลูกหลานที่มาภาคอือเอา้าอึดอัดไปน้อยนึงเป็นการออกทุรงเป็นการออกทุรงคล้ายๆกัวะวัตมาเพื่อบำเพ็ญกุศลมาบำเพ็ญตปะ จะให้สะดวกสบายนอนสบายแต่ก็ไม่น่าจะถูกต้องให้ลําบากบ้างนะพเพราะเราบำเพ็ญกุศลพระพุทธเจ้าไปบปําเพ็ญอยู่ในปา่าโดงฟงไฟตถึงหกปีคิดดูก็แล้วกันใครไปสร้างกุฏิสร้างวิหารให้พระองค์พระองค์ก็ต้องอยู่ด้วยความลําบากบาเพ็ญทึงหกปีเด็จึงได้ตัสรูบ้บรรลุธรรมอันนี้พวกเราเป็นลกูกหลานของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธองค์ พวกเราก็ควรจะดำเนินเดินตามแนวแถวเอออพระพุทธองค์ที่ท่านได้เคยทุกอยากลำบากมาอย่างหลวงพ่อของมันกันมาอยู่วัดป่านาคำน้อยแห่งนี้ไม่ใช่ว่าจะมาปรปปับมาก็จะมีคนมาสร้างสารากุติคอยรองรับแล้วไม่ใช่หลวงพ่อเองได้กวาดใบไม้แห้งมากองกองขึ้นมาแล้วเอาเสือ่อผืนหนึ่งทับหมอนใบเดียวแล้วก็ปักกรดากางกดขึ้นมาแล้วเอามุ้งเม้นเข้าไปในใต้เสือ่อ เออจากนั้นก็นอนทับเพื่อไม่ให้งูเออไม่ให้แมลงป่องตะขาบเข้ามากัดตัวเองได้นั่นแหละความลำบากของหลวงพ่อมาอยู่ในวัดป่าแห่งนี้ลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นพวกลูกหลานคณะสัตยาญโยมได้มาพักก็ต้องคิดถึงหลวงพ่อวาสมัยหลวงพ่อมาอยู่น่ะลำบากขนาดไหนก็ให้คิดถึงพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์ท่านไปอยู่ป่ารงคงไผ่ถึงหปี ท่าลำบากขนาดหนนี่แหละถ้าหลวงพ่อเห็นว่าญาติโยมลูกหลานลําบากในการพักผ่อนหลวงพ่อก็จะมาสร้างกุฏิให้หรูหราโออาให้คนละห้องระห้องกันแล้วเมื่อลูกหลานกลับไปแล้วเป็นภาระของใครที่จะต้องดูแลรักษาเป็นภาระของพระสงฆ์หลวงพ่อก็ได้คิดถึงจุดนี้อย่างมากเพราะฉะนั้นขอให้คณะสถา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคน ต้องคิดอย่างหลวงพ่อคิดอ lah. อย่าไปตําหนิว่าวัดวาศาสนาวัดหลวงพ่อเนี่ยไม่อำวยความสะดวกไม่ใช่นะ่หลวงพ่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกแก่หลาน ท, ทุกคูกก่ทุกคนรักลูกหลานทุกคู่ทุกคนไม่แพ้กันนะพ่อหลวงพ่อเน่ยเป็นพระเป็นหลวงพ่อสาธารณะเป็นพระของลูกหลานทุ ก, ทกคู่ทุกคนที่มาสู่วัดวาศาสนาหลวงพ่อให้ความเมตตาขอต่อทุกคนนะ ต่อลูกหลานทุกคนเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนนะที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาอันนี้ก็คือจะตุปปัจจัยที่ได้มาหลวงพ่อกันสร้างฐาวรวัตถุอย่างพวกเราท่านทั้งเห็นทั้งหลายได้เห็นพอมันจําเป็นจริงๆก็ต่อไปอีกเหมือนกับลังต่อลังแตนอย่างนั้นถ้ามีความจำเป็นก็นกนต่อ น, น้อยนึงทำให้มีความจำเป็นก็นกนต่ออีกมุมนึง แต่คราวนี้หลวงพ่อเคคิดว่าคงจะทำถนนในวัดพุถนนพระเดินยังขาดตกบกพร่องอยู่พอเดินไปแล้วก็ทำให้ไม่สะดวกเป็นดูดูแล้วก็เมื่อทำสายเมนขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วเออเป็นถนนที่น่าใช่ปีนี้ก็คิดว่าคงจะทำถนนให้พระได้เดินอีกสายหนึ่งเหมือนกัน และจํานวนปัจจุกจะตกปัจจัยส่วนอื่นนะีที่มันเหลือไปกว่านั้นหลวงพ่อก็มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่จะซื้อเครื่องมือแพทย์นะอันนี้ขอประกาศให้คณะจัตตาญาติโยมลูกหลานได้รับทราบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ขอเพิ่มนะใครมีจิตศรัทธาเท่าไหร่ประเท่านั้นแหละหลวงพ่อไม่ได้ทําให้ผู้อื่นคณะจัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนหนักใจ เพียงจะประกาศให้ทราบว่าจตุปัจจัยที่หลวงพ่อได้มานะหลวงพ่อจะใช้อะไรบางคนก็เป็นทุกข์เป็นร้อนว่ากลัวหลวงพ่อจะใช้เงินไม่ถูกประเภทผิดประเภทอีกต่างหากเป็นทุกข์เป็นร้อนในใจเนี่ยอย่างนั้นก็มีคะพ่อหลวงพ่อได้จตุปัจจัยมาแล้วจะใช้ยังไงแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อวางแผนไว้แล้วเนี่ยเมื่อไม่นานมาเนี่ทางโรงพยาบาลสูรุณรงค์โรงพยาบาลประจําจังหวัด เป็นโรงพยาบาลศูนย์คำว่าศูนย์คำนี้ก็คือหลายอำเภอหลายจังหวัดตั้งแต่อุดร น, น้องคายนครพนมสกลนคร น, นองบัวลำภูจังหวัดเลยมาใช้บริการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลศูนย์แปลว่ารับคนป่วยในสามสี่ห้าหจังหวัดเนี่ยมาเป็นผู้รับในที่ว่าโรงพยาบาลเหล่านั้น ไม่มีความสามารถแล้วก็ส่งเข้ามาอุดรแตี่นี้โรงพยาบาลอุดรก็รับคนป่วยรักษาแต่มาแต่ถึงยังไงโรงพยาบาลศูนย์อุดรเนี่ยเครื่องมือแพทย์ตัวที่ผ่าตัดหัวใจเนี่ยยังไม่มีนโรงพยาบาลศูนย์ต่างจังหวัดแต่ที่อื่นๆเขามีหมดแล้วแต่ขนาดอุดรไม่มีโรงพยาบาลไม่ต้องพูดถึงเครื่องบอลูนนะบอลูนหัวใจมีแต่ขอนแก่น ผาตัดหัวใจก็มีแต่ศูนย์สิลิกิจในศูนย์หัวใจสิลิกิจจังหวัดขอนแก่นนอกนั้นไม่มีในภาคอีสานแต่นี้ก็ญาติโยมพวกคณะหมอก็เข้ามาหาหลวงพ่อเมื่อเดือนมิถุนาบอกว่าอยากจะได้เครื่องมือตัวนี้ เ, เพื่อจะได้เปิดเพราะรอนเป็นโรงเรียนแพทย์แล้วเป็นโร ง, งเรียนแพทย์มาได้สองปีแล้วพอปีหน้านก็เป็นปีที่สาม พอปีต่อไปก็แปลว่าเป็นแพทย์สมบูรณ์ได้แล้วคิดว่าแพทย์คงไม่ขาดแคลนอีกแล้วในโรงพยาบาลศูนย์อุดรแต่ขาดเครื่องมือแพทย์เพราะาแพทย์ที่โรงที่เครื่องมือตัวนี้ที่เครื่องมือผ่าตัดเนี่ยเดี๋ยวนี้หมอโรงพยาบาลอุดรมีหมอโรคหัวใจแต่ทําอะไรไม่ได้เพียงแต่ว่าคนป่วยเข้าไปเป็นยังไงแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก เขาก็จะให้ยาใต้ลิ้นเข้าไปจ า, าา จ, จากนั้นก็เสียดยาคลายกล้ามเนื้อหัวใจจากนั้นก็เขียนใบสั่งให้ไปเรียงคิวเข้าโรงพยาบาลขอนแกน่นให้ตรวจสุขภาพเรื่องหัวใจต่อไปนี่แหละแปลว่าฟังฟังดูแล้วคิวยาวเหยียดเป็นทั้งสองสามร้อยคนเนะข้าคิวโรงพยาบาลศูนย์ขอนแกน่นเพราะนั้นทางโรงพยาบาลอุดอรเขาก็เลยมาขอหลวงพ่อหลวงพ่อพ อ, อืมง คงมีความจําเป็นจากนั้นหลวงพ่อเ อ, อือรวบรวมกันดูซิก็เลยหาเจตุปัจจัยพี่น้องชาวอุดรผู้ที่มีอันจะกินบริษัททางร้านรวบรวมกันก็ได้เครื่องมือมีอยู่สี่ตัวนะที่หลวงพ่อจะพูดในรายละเอียดให้ฟังหลวงพ่อพวกลูกหลานก็คงอยากจะทราบว่าเครื่องมือที่พาตัดนั้นคืออะไรเครื่องพาตัดหัวใจเขาตีราคาล้านห้า แต่ต่อรองเขาแต่ล้านสี่แต่เครื่องท่างหัวใจใคล้ายๆเมื่อผ่าแล้วก็จะต้องใช้เครื่องท่างออกเพื่อจะได้ผ่าตัดหัวใจได้อันนี้ก็ราคาสี่แสนห้าตัวนี้ตัวที่สองตัวที่สามเครื่องช่วยหายใจราคาหกแสนตัวที่สี่ปอดหัวใจเทียมคือเวลาผ่าตัด หัวใจแล้วหัวใจหยุดเต้นหัวใจหยุดก็ต้องใช้ปอดหัวใจเทียมเข้าไปช่วยเพื่อไม่ให้เป็นเจ้าชายเจ้าหญิงนิทราเหมือนกันนอเพื่อไปเลือดไปเลี้ยงสมองให้เพียงพออันนี้ราคากันป็นสามล้านสามเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองเห็นว่าเครื่องมือแพทย์แถวนี้มีความจําเป็นแต่จะให้ใครเป็นผู้เซ็นสัญญาเขาก็ไม่ยอมให้เขาเลยให้หลวงพ่อเป็นผู้เซ็นสัญญยาอา้าเซ็นก็เซ็น หลวงพ่อก็เลยเซ็นสัญญาสั่งซื้อเครื่องมือแพทย์เหล่านี้แหละอรวมแล้วทั้งสี่รายการเป็นเงินห้าล้านเจ็ดแสห้าหมื่นบาทห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมืนบาทสามรายการเดี๋ยวนี้เครื่องมือยังไม่มาแต่ว่าสัญญามีพร้อมแล้วอีกไม่นานประว่าเดือนสองเดือนไม่ท่าจะเกินเดือนมกราเครื่องมือตัวนี้จะมาพร้อมทั้งหมดเพราะนั้นเครื่องมือเหล่านี้ก็คงจะเข้าประจําการ ที่โรงพยาบาลสูงอุดรต่อไปนี่แหละถ้าว่าคณะศรัทธาญาติโยมโลูกหลานถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังลูกหลานก็คงจะไม่ได้คิดเหมือนกันว่าหลวงพ่อในอยู่ในป่าหลวงพงอไผ่ยอย่างนี้ได้ช่วยหรือชุมชนสังคมอย่างไรเนี่แหละได้พูดให้ฟังแต่พูดให้ฟังบางท่านบางคนก็จะบอกว่าหลวงพ่ออินทําไปแล้วพยาามมาขี้อวดให้หมูฟังอเอะ อย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าวัดวาศาสนาก็เป็นของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันญาติโยมก็พึ่งพาอาศัยพระสงฆ์ก็พึ่งพาอาศัยญาติโยมเมื่อจะตุปปัจจัยที่ได้มาที่มันเกินส่วนเกินพอที่จะช่วยเหลือชุมชนได้ก็ช่วยเหลือชุมชนอย่างองหลวงตาที่ท่านได้ช่วยซึ่งมือแพทย์ช่วย มาสถานที่ต่างๆนี่แหละนั่นหลงพ่อว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของพระคือเป็นผู้ไม่สะสมไม่ได้เก็บไว้อะไรมากมายถ้าเก็บไว้ก็มีความหมายว่าเก็บไว้เพื่ออะไรต้องการอะไรทำไมจึงเก็บเอาไว้แง่ก็คือความหมายในการเก็บมีความหมายในการเก็บอีกเพื่อจะใช้อะไรเพราะนั้นจะตุปใจที่จะเกิดในวันพรุ่งนี้ เตรียมพร้อมแล้ว่างงานเตรียมพร้อมแล้วที่จะต้องดำเนินช่วยเครื่องมือแพทย์และก็ทำถนนอย่างที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวให้แกท่นานจตธายาตโยมลูกหลานทุกๆคนได้รับทราบนะนี่แหละอันนี้แหะคือจตุปจัจจัยอติเรกลาภที่ได้มาโดยเป็นธรรมแหมโดยโดยเป็นธรรมหลวงพ่อเองได้มาโดยเป็นธรรมหลวงพ่อเองไม่ได แผ่ไม่ได้ข อ, อ, อไม่ได้ทำให้คนศรัทธายาติโยมที่มาเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเนี่ยเดือดร้อนเอามาทาถ้าทำทานี่จะตกปัจจัยพอเป็นไปได้แล้วเออเอ้าทำบุญแต่ถ้ามันไม่เพียงพออย่าทำนะมันเดือดร้อนตนเองถ้าพอเป็นไปได้แล้วเออทำเราคนเราเกิดมาต้องทาบุญทำทาน อันนี้สงแห่งการทำทานเพราะพระพุทธเจา้าท่านตรัสท่านบอกท่านกล่าวไว้ว่าคนที่มีศิดนิคนที่ทำบุญทำทานเกิดมาพบใดชาติใดก็เป็นผู้ไม่อดไม่อยากอันนี้สงทานเป็นผู้เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนเออพวกเราเกิดมาแล้วทำอะไรก็เป็นเออเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยขึ้นมาได้เพราะอันนี้สงแห่งทานเกื้อกูลหนุนแต่ถ้าว่าพวกเรา ไม่ยินดีในการทาบุญทาทานเกิดมาพบนาชาติหน้าเราก็เป็นผู้อดอยากแล้วทำมาค่าขายสิ่งไหนก็ปดหดๆลนหล่นไปเพราะอเ น, นสงสานไม่มีเพราะนั้นทานธรรมนี้เนี่ยเป็นพวกเราท่านทั้งหลายควรจะสัตสังสมเป็นอย่างยิ่งนะเรื่องศีลก็อย่างที่หลวงพ่อได้กลา่านวะศีลห้าประการเป็นยังไงเรื่องทานเรื่องศีล แต่วันนี้หลวงพ่อจะแนะนำเรื่องภาวนานะเพราะพวกคณะสัตยา ญ, ญาติโยมโลูกหลานไปนัสถานที่ใดเขาคงก่ได้ยินแต่เรื่องทานเรื่องศีลแต่เรื่องสมาธิเรื่องภาวนาเนี่ยคณะสัทา ญ, ญาติโยมทั้งหลายก็คงจะได้ยินอยู่บ้างแต่ปลกปลายนะนั่เขาคงจะไม่แนะนำเป็นหนะึ่งสองสามสี่ะแต่หลวงพ่อไปนสถานที่ใด คณะสาาัายาธิมมาอย่างวัดหลวงพ่อวันนี้เป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้ไฝ่ในการกุศลเพราะนั้นหลวงพ่อเองไปนสถานที่ใดถ้าว่าเห็นคณะสาาัทยาธิยมในใฝ่ในการกุศลแล้วก็หลวงพ่อจะพูดเรื่องจิตภาวนาเพราะเรื่องภาวนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องของพระเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนเพราะว่าพวกเราจะต้อง ได้รับสิ่งที่ไม่พึงปราถนาโดยการทุกคนถ้าเรามานึกย้อนถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเราระลึกถึงพุทธประวัติประวัติของพระพุทธเจ้าพวกเรานึกดูซิว่าพระพุทธเจ้าทํำไม่หนีออกไปบวชพวกเราคิดดูซิว่าทํำไม่พระพุทธเจ้าเป็นพระหมหากษัตริย์เป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในเวียงวงังมีพร้อมหมดทุกอย่าง แต่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงหนีไปบวชฮะทำไมจึงหนีไปบวชอย่างนั้นเพราะพระองค์ไม่รู้จักความสุขเหรอทำไมจึงนิพพัรทำอย่างนั้นนี่และถ้าพวกเรานึกระลึกนึกย้อนไปแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่าพระพุทธเจ้าหนีไปบวชนั้นพระพุทธเจ้าเห็นอะไรมีความรู้สึกอะไรจึงหนีไปบวชพระพุทธเจ้าท่านหนีไปบวช เพราะว่าท่านเห็นความเห็นคนแก่แล้วก็เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายแล้วก็เห็นสมณะเห็นสี่อยา่างท่านไปเห็นคนแก่ท่านก็สลดสังเวชใจโอ้โหแล้วจะหาความสุขได้อย่างไรหลังค่อมถือไม้เท้าผมขาวฟันร่วงหูตึง เหมือนกับคนจะไม่เหมือนคนอันนี้เราคือคนแก่ถ้าไม่ตายง่ายก็แก่ไปเรื่อยๆจนนอนกับชุเสื่อกับหมอนอย่างนั้นอ่ะนี่แหละคนแก่แล้วก็คนเจ็บอ่ะอชักดิ่นชักงออกับคนกระวายกระสับกระสายคนเจ็บถ้าใครมาเจอกับตัวเองแล้วจะรู้ว่าเจ็บนั้นเป็นยังไงนี่แหละพระพุทธองค์เขเห็นอีกโอ้คนเจ็บไม่พึงปรารถนาของ ในชีวิตของมนุษย์ได้จากนั้นไปเห็นคนตายอีกเลยไปเห็นคนตายหมดสภาพนอนตายก็หามไปยังกัเป็นอย่างนั้นเลยเหมือนกับท่อนไม้ท่อนปืนเออย่างเมืองอินเดียเขาก็หามไปที่ไหนเขาก็หามไปคนตายจากนั้นพ่อก็เห็นคนตายโอ้น่าสลดสังเวชใจจะทํายังไงจิงจะไม่ตายนี่แหละพระพุทธองค์คิดหาช่องจะไม่ตายเลยเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์อย่างนั้น เขาต้องค้นคิดถ้าว่าถ้าคิดอย่างพวกเราท่านทัน้งหลายก็คงจะไม่มีเครื่องยนต์กลไกคงจะมีมีรถราเครื่องบงเครื่องบินจรวดดาวเทียมคงไม่มีแต่คนที่คิดมันคิดนะเพราะพระพองค์คนทนลักษณะกลุ่มนั้นแะกลุ่มที่ค้นคิดที่การว่าจะทํำยังไงจึงจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดนี่อีกแล้วเกิดแล้วทําไมจะไม่ตายอีกจะทำยังไงนี่แหละ พระพระองค์งคุกค้นคิดอย่างอย่างหนักเหมือนกันไปเห็นคนแก่ก็กลับมาเวียงวงังปั น, นั่งคน้นคิดต่อมามาเห็นคนเจ็บอีกกลับมาวังอีกมานั่งค้นคิดอีกพอไปถึงเห็นคนตายอีกกลับมามานั่งคิดอีกพอที่สี่เนี่ยเดินพระองค์นั่งราชรถไปไปชมชมสวนอุทยานไปเห็นสมณะคือนักบวชเป็นพระเราเป็นสมณะคือนักบวช นั่งอยู่ตามลำพังอยู่โครนต้นไม้ท่านเห็นส ม, มณะแล้วเออส ม, มณะเนี่ยนั่งคิดอยู่ตามลำพังเหมือนกับเรานั่งภาวนาอย่างนั้นนั่งคิดตามลำพังไม่ได้มีเรื่องอะไรยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ถ้าเราคิดอยู่ในเวียงวังมันมีเรื่องมากไม่รู้ว่าเรื่องอะไรต่อเพื่ออะไรเรื่องการปกครองเรื่อง รักษาประเทศชาติบ้านเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการต่างประเทศมีมากมายเราคงจะไม่มีโอกาสที่จะค้นคิดที่จะหาทางพ้นทุกข์ีได้แต่ถ้าว่าเรามาเป็นอย่างสมณะองค์นี้ที่ท่านนั่งอยู่ตามลำพังคงจะมีช่องทางที่จะมาคิดหาวิธีที่จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดหาช่องทางได้เพราะนั้นเราควรจะทำอย่างสมณะองค์นี้ อันนี้ล่ะคือสิทธธโพธิสัตว์ก่อนที่ท่านจะห น, นีออกไปบวชก่อนที่ท่านจะจะห น, นีออกจากเบี่ยงวังท่านคิดอย่างนี้จากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้กลับเข้ามาไปชมสวนอุทยานในวันนั้นพอกลับเข้ามาก็นางพิมพายะโสธราก็ให้กำเนิดเก็บพระราหุคือบุตรชายของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระ อ, องค์ก็เครื่องผูกพันเกิดกับเราเ่ท่านบเครื่องผูกพัน รักหูหน้าเนี่ยคือเครื่องผูกพันเกิดกับพระ อ, องค์หนึ่งคนโบราณเขาจึงพูดเป็นภาษาเป็นคําพังเพยขึ้นนะรักรูปเหมือนเชือกผูกคอรักสามีภรรยาเหมือนปอมัดศอกเนี่ยมัดศอกภ้ายหลังรักสมบัติเข้าของเหมือนปอกด้วยเชือกมัดขาติดกับหลักเอาไว้ติดกับเสาเอาไว้ติดกับหลักเอาไว้ อย่างพวกเราท่านทั้งหลายถึงจะมาสู่วัดวาศาสนาวัดป่านาคําน้อยก็เถอะความห่วงหาอะไรในเรือนชาญบ้านช่องของพวกเราพอออกจากที่เราก็ต้องกลับไปบ้านเรือนของพวกเรานี่ยแหละมันใจของเรามันผูกมัด อ, อกับบ้านกับเรือนท่านว่าเหมือนกับออกใส่ขาแล้วปอกมัดขาของเราติดกับวัตถเุเราหนีไปไม่ได้ เพราะอะไรเพราะเราเป็นห่วงสมบัติของเรานี่แหละท่านว่ า, พ ร, าพระพุทธองค์ท่านว่าเราควรจะหนีนออกจากเวียงหวังไปอยู่ป่าจากนั้นพระองค์จึงได้ตัดสินพระไทยออกไปอยู่ในป่าตามลําพังเนี่นนยาจากนั้นเด็ก้นคว้าศึกษาลองผิดลองถูกหยุดเป็นเวลาทั้งหกปีนะจากนั้นพระองค์จึงได้ตัดสรุธธรรมในวันเดือนหกเพน วันเดือนหกเพนเป็นวันที่ตัดสรุธรรมของพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างไรเนี่ยแหละพวกเราให้ศึกษานะทเนเยเข้าประเด็นละพระพุทธเจ้าทำอย่างไรในวันเดือนหกเพนนั้นพระองค์นั่งสัจสมาธิวันเดือนหกเพนนั้นมันก็เป็นเดือนหกมันฟ้าฝนก็คงจะมาตกถูกแผ่นดินคงจะชุ่มชื้นขึ้นมาพอสมควร จากนั้นนายโสธิยะได้ไปเกี่ยวหญ้าและตัดหญ้าได้ผ่านมานายโสธิยะคงจะเอาหญ้าคาไปมุงหลังคาตนเองเหมือนกันเหมือนั้นเขาเรียกว่าไผ่หญ้าไผ่หญ้าไผ่จากไปหญ้าไปหญ้าคาไผ่จากเพื่อมุงหลังคาแต่นี่นายโสธิยะได้ไปเกี่ยวหญ้าผ่านมาที่ศิริธรรโพธิสัตว์นั่งอยู่ตามลําพังนายโสธิยะ ก็นำหญ้าคาเข้าไปถวายพระโพธิสัตว์ในสิทธัตถะเพราะเหตุใดเพราะเห็นว่าท่านนั่งอยู่ตามลําพังเนี่ยคงจะหาที่เรียบราบไม่ได้เพราะรากโพนก็เป็นรากตะปุ่มตะปําเป็นรากที่มันลอยขึ้นมาบนพื้นแผ่นดินรากเล็กรากน้อยบามนนีนั่งไม่สบายท่นนี้โสติย่ก็เลยนํำหญ้าคาแปดกำมือเข้าไปมอบให้แก่ ชิทัตถาโพธิสัตว์พุทธเจ้าของเราจากนั้นพระ อ, องค์ได้ย่าคาแปดกำมือก็มาเกลี่ยลงที่โคนต้นโพสลับกันเหมือนกันเออเอาที่โคนไปทางหนึ่งสี่กำมืออีกทั้งโค น, นหนึ่งกับสี่กำมือให้ประสานกันาจากนั้นท่านพระ อ, องค์ก็ขึ้นไปนั่งทำเป็นอาสนะทำเป็นอาสนะที่นั่งหันหน้าไปทางที่ตะวันออกหันพระพักไปทางที่ตะวันออก ในวันเถือนหกเพนนนั้นพระองค์หันพระพักไปทางทิศตะวันออกคือหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจากนั้นพอขึ้นไปนั่งขาขวาทับขาซ้ายคือนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทากายให้ตรงตนี่แหะทากายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก นี่แหละขอให้พวกเราคณะชาตญ า, า, าติโยมให้ศึกษาให้ฟังเอาไว้เพราะพระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้ในวันนั้นท่านทำอย่างไรนี่แหละคือให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าลมหายใจออกจากนั้นใจของพระองค์ก็รวมรวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตใจรวมจิตใจนิ่งเพราะจิตไม่คิดถึงอดีตที่ผ่านมาจิตใจไม่คิดถึงอนาคต แต่ที่ยังไม่ถึงแต่ในช่วงนั้นที่พวกเราได้ศึกษาพุทธประวัติก็มีพญามาร น, นางตันหาราคาอรอดีเข้ามาบรบกวนแย่งบัลลังก์ของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะจิตใจ ส, สงบนั้นอันนี้ก็คือท่านพูดเป็นธรรมมาทิฐานในธรรมมาทิฐานคือปุขละทิฐานเป็นยกเป็นบุคคลขึ้นมา ยกเป็นบุคคลขึ้นมาได้เท่า่ะพระองค์นั่งอยู่ตามลําพังนั่งคิดอย่างนั้นใจของพระองค์ก็ต้องคิดถึงเบียงหวังคิดถึงนัชโณมนารีที่พระองค์เคยมีความสุขเ อ, อกับทุกคู่ทุกคนในออสมัยเมื่อพระองค์ครองราชอยู่นี่แหละอารมณ์เหล่านั้นเข้ามารบกวนพระทัยของพระองค์ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดเออทีนี้คก้ายคล้ายพรวัตร ยวนที่จะได้ตัดสรู้เท่าไรเกเลตเหล่านั้นหรือยพยามารเหล่านั้นยิ่ยงมา ล, ลุกปวนแก่กล้าขึ้นมาพราะองค์ก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานเอาถเถอะเราจะไม่กลับสู่ฆราวาสโดยเด็ดขาดตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่มั่นคงจากนั้นคือนะคือน้ำประทยัยน้ำใจของพระองค์เหมือนกับ น, นางธรณีบิดม้วยผมอกจุจก ด้วยความตั้งใจด้วยความจริงจังและจริงใจในพระทัยของพระองค์ไม่วันไหวไม่วันไหวไม่ตามอารมณ์ที่มันมันเข้ามาจากนั้นพระองค์ก็ตักกิเลสโดยเด็ดขาดด้วยสัจบา ร, รมีของพระองค์จากนั้นพระองค์ก็ชนะมานเสนามานนางตันหาราคาเอาิทต์ได้โดยเด็ดขาดจากนั้นใจของพระองค์ก็แท่นิ่ง ไม่คิดถึงอดีตอนาคตจิตใจรวมสงบลงเป็ น, นเมื่อรวมลงเป็นหนึ่งแล้วพระองค์น้อมจิตระลึก ถ, ถึงชาติทนหลักเนี่ยชาติทุนหลักคือดชาติที่แล้วเป็นยังไงจะบอกปุบเพในวาสานุสติยานอันนี้คือยกเป็นบาลีขึ้นมาถ้าไม่ยกเป็นบาลีขึ้นมามันก็ไม่ขลังนะถ้ายกเป็นบาลีขึ้นมาเนี่ยพวกเราจะได้ฟังว่านพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันเดือนหกเพนนนั้น ท่านตัดสุขอันดับแรกก็คือปุเพนิวาสารุจติยาระลึกชาติหวนหลังได้เมื่อนั้นหลักของพระพุทธศาสนาพวกคณะทา ญ, ญาติโยมทุกหมู่เราอย่าสงสัยเลยว่าเกิดมาชาติเดียวตายแล้วศูนย์ไม่ใช่ถ้าตายแล้วสูนพระพุทธเจ้าจะระลึกชาติหวนหลังได้อย่างไรพวกเราคิดดูก็แล้วกันถ้าไม่มีเมื่อวานพวกเราจะระลึกถึงเมื่อวานได้อย่างไร เมื่อมีเมื่อวานพวกเราจรึงระลึกถึงเมื่อวาน ไ, ได้ฟันก่อนได้ปีก่อนเดือนก่อนได้นี้ก็เหมือนกันทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านประกาศออกมานั้นพระพุทธองค์บอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกวิญญาณที่จะทำให้เกิดนั้นอยู่ในตัวของเราเมื่อจิตใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งพระองค์รู้ได้ด้วยพระองค์เองว่าร่างกายเหมือนกับรถ ตัวส่วนจิตใจคือน้ำมรรมตัวผู้รู้รู้เองเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่อาศัยกันอยู่เมื่อรถสลายหรือรถหมดในสภาพรถมันเป็นเศษเหล็กเพราะมันใช้มานานนะรถของเราใช้สิบยี่สิปีรถมันหมดสภาพแต่เมื่อรถหมดสภาพแล้วโซเฟอร์น้จะทำอย่างไร เพราะตัวไหนมันก็เสียเป็นผุพังไปหมดเป็นเศษเหล็กไปแล้วลูกสูบมันก็ติดสายพานมันก็ขาดอันไหนที่ที่จะใช้มันหมดหมดสภาพแล้วรถมันเสียใจไหมรถมันก็ไม่ได้เสียใจเมื่อกันอยู่อย่างงั้นแต่เจ้าของรถนี่สิเดินวนไปเวียนมาเวียนมาวนไปเพราะเหตุใดเพราะว่ารถมันเสียเจ้าของเป็นผู้เสียใจเจ้าของรถ นี้ก็เหมือนกันเพราะพระพุทธองค์ท่านบอกว่าร่างกายเหมือนกับรถส่วนผู้ที่จะเสียอกเสียใจที่จะทำให้รถวิ่งเดินไปที่ไหนได้เพราะอาศัยนามธรรมคือจิตใจดวงนี้จิตใจดวงนี้เหละสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับได้รับการอบรมจะได้รับการฝึกฝนเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงยกเป็นพระบาลีขึ้นมาว่า มโนปุพังคขมาธรรมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจใจคืออะไรคือนามธรรมดวงนี้แหละท่านไม่ได้ว่ากายเป็นใหญ่กายเป็นหัวหน้านะ่ะสำเร็จแล้วด้วยกายไม่ใช่นะ่ะสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาท่านให้ความสำคัญอย่างมากเรื่องของใจเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะศึกษาเรื่องของใจ ใจตัวนี้แหละเป็นผู้รับภาระเป็นผู้พาตกนรกหมกไหมพาไปเกิดปฏิชนที่ไปเกิดในภพภูมิต่างๆไป่าสถานที่ใดเป็นผู้รับรู้รับทราบส่วนร่างกายนั้นถึงพวกเราจะเลี้ยงอิม่มหมีผีมันขนาดไหนธนุถนอมดีขนาดไหนร่างกายของพวกเราเนนะี่ยพวกเราคิดดูให้ดีนึ ก, นกย้อนรู้ให้ดีถึงพวกเราจะเลี้ยงอาหารดีขนาดไหน ไม่ให้ขาดตัวปกป้องในอภชนาการเรียงดีขนาดไหนหาผ้านุ่งห่มราคาแพงขนาดไหนยาแก้โรคภัยไข้เจ็บดีที่สุดประเทศไหนที่ว่า ด, ดีผิดออกมาเอามาใช้เพื่อบำรุงร่างกายของตนเองสร้างบ้านตึกลานบ้านช่องให้หรูหราโออ่าขนาดไหนให้ร่างกายนี้อยู่ร่างกายนี้ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอ ไม่คุ้นไม่เชื่อเพราะเหตุไรพอเลี้ยงไปแล้วก็แก่ไปผลในสุดก็ถึงจุดจบของชีวิตถึงจุดจบของมันจุดจบของร่างกายคืออะไรคือตายร่างกายนี้ถึงจะเลี้ยงดีขนาดนะั้นคือจุดจบของมันก็คือตายเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้พวกเราท่านทั้งหลายนึกดูให้ดีคิดดูให้ดีทบทวนดูให้ดีร่างกายนี้เหมือนกับรถนะ จะทนุถนอมอย่างไงมันจะมีแต่แก่ไปเรื่อยๆก็ ถ, ถึงจุดจบเพราะนั้นขอให้พวกท่านทั้งหลายต้องนึกถึงนะอันนี้แหละคือปฐมมายาพอถึงเที่ยงคืนพระ อ, องค์ก็ได้ภาวนาอย่างไม่ลดละกาหนดดูให้แนบหนึ่งละเอียดเข้าไปอีกท่านจึงรู้ว่าจุตูปปาตญาการจิตปิญญาณตรงนี้เมื่อออกจากร่างเมื่อรดคันนี้เสียแล้วมันจะไปที่ไหน มันจะไปเดินไปยังไงพระองค์รู้อีกว่าอืเมื่อออกจากรถคันนี้แล้วถ้าว่าเขามีเงินเขามีทุนทรัพย์เขาได้โสะสะแวงหาทุนนัพย์ในขณะที่เขาปีรถคันนั้นเขาไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเขามีแต่โสะสะแวงหาทุนทนะซับ พ, พอออกจากรถคันนี้แล้วเขาก็ไปซื้อรถคันอื่นได้ราคาดีกว่าราคาสูงกว่าแต่ถ้าว่าเขา ได้รถคันนั้นมาแล้วไม่ได้สนใจไม่เชื่อว่าบาปบุญคุณโทษมีอีกต่างหากมีแต่ขี่รถคันนั้นตะลอนไปตะลอนมากินเหล้าเม า, า, เ า, ายาเอ่ออวยยมุกทุกอย่างทำหมดทีนี้นเมื่อรถคันนั้นหมดสภาพเขาจะหาทุนที่ไหนไปซื้อรถคันอื่นอกีกเพราะมันไม่มีไม่มีคนไม่มีบุญเหมือนกับคนไม่มีเงินเมื่อออกจากรถคันนั้นแล้วรถคันนั้นเสียแล้ว เขาก็ไม่มีทุนเพราะไม่มีทุนเขาก็ตกต่ําชมเพราะเขาไม่ได้หาทรัพย์อาจจะไปเกิดเป็นหมูหมากาไกา่ช้างมา้าวหวควายเป็นได้ทั้งนั้นเป็นตกนรกหมกไหมก็ไปได้อีกต่างหากเพราะเหตุใดเพราะเขาไม่มีบุญแต่ถ้าว่าคนเกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนาตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราอยู่เสมอเสมอ ในหลักบุญกุศลก็เข้าสู่จิตใจของพวกเรารู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักคุณบิดามารดาครูปราชายก า, ารารู้จักวยญวุฒิคุณวุฒเจ้าฟ้ามหากษัตริย์คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์วางตัวอย่างไรจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมให้ทานรักษาศีลภาวนาสงเคราะห์อนุเคราะห์เป็นคนดีสรุปแล้วคือเป็นคนดีไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเมื่อเขาตายจากพบในชาตินี้บุญกุศล ที่เขาทำไป็นเกื้อกูลหนุนไปสู่ปรตโลกไปสู่ภพภูมิภายภาคหน้าเขาก็มีความสุขเลยเพราะนั้นพระองค์รูเ้เมื่อเห็นแล้วตรรู้ทั้มุตูตตตปปาตยานมามาจากที่ไหนมาเกิดที่นี่ออกจากที่นี่แล้วจะไปไหนออกจากภพนั้นชาตินั้นจะไปไหนพระองค์รู้หมดเลยเป็นสายยาวเหยียดตนแต่ละดวงวิญญาณ เพราะฉนั้นพระองค์จึงว่ากรรมคือการกระทําถ้าทําดีแล้วทุกคนจะต้องได้ดีถ้าทํากรรมชั่วแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตกต่าเออเหมือนกับคนขี้เกียจอย่างนั้นคนขี้เกียจทํามาหาเลี้ยงชีพดูสิเขาจะเจริญรุ่งเรืองไหมมีแต่ความยากจนเข้ามาสู่เขาแต่เขามีความหมั่นขยันมีปัญญาในการโศกแสวงหาทรัพย์ เขาจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหล ะ, ละพระ อ, องค์รู้ว่าจุตูปปาตยานการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายนี้เป็นมาด้วยกล่ำคือการกระทําไม่ใช่ว่าเป็นมาด้วยโชคชะตาราศีไม่ใช่เออไม่ใช่โชคชะตาไม่ใช่ไม่ใช่หัวเห้งจะดีขึ้นมาได้เพราะว่าเออมันเป็นได้ไง่ายๆไม่ใช่หัวเฮ้งจะดีต้องเป็นผู้มีบุญในอดีต อย่างพระพุทธเจ้าสิท ธ, ธัตถะก่อนที่ท่านจะได้ปุริสารลักษณะมหาปุริสารลักษณะเป็นผู้บริบูรณ์<ม>ได้ขึ้นมาเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้สั่งสมบุญกุศลไว้ในอดีตมาแล้วมาเกิดภพนี้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของโผพระองค์จึงมีงหง่เฮงดีมีบุญวาทนาดีมีปุริสารลักษณะบริบูรณ์น่เ<ม>พราะนั้นท่านจึงบอกกรรมคือการกระทํา ถ้าทำทำดีแล้วเกิดไปพบใดชาติใดก็ดีด้วยกันถ้าว่าพวกเราสั่งสมบุญกุศลทีละทิพทีละหน่อ ย, ยภาวนาไปเรื่อยๆจนจิตใจเบื่อหน่ายคายจิตใจก็ จ, จ, จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส น, นี่แหละเพราะพระพุทธเจ้าท่านรู้เรื่องวิญญาณของสรรพสัตว์สรุปแล้วคือหลักของพุทธศ า, าสนาเนี่ยท่านศึกษาเรื่องจิตวิญญาณเรื่องของใจเป็นมาอย่างไรเป็นไปอย่างไร เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านให้ติดตามให้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นพอถึงจวนสว่างในวันเดือนหกเพนนั้นพระองค์ได้ใช้ตปธรรมคือศินสมาธิปัญญาคือมักแปดกันกรองไตรตรองเหตุและผลว่าดวงวิญญาณได้มาจากไหนมาเกิดแล้วออกแล้วไปยังไงก็ที่พระองค์ก็รู้ได้ว่าใจของพระองค์เนี่ย มาจากตัวอวิชชาท่านเตียงกล่าวเป็นปฏิปฏิจจสมุบาติอวิชชาปัจยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจญาวิญญาณนะังวิญญาณนะปัจญานามารูฟังจนถึงโสกะปรีเทวทุขโทมนัสสุใจดวงนี้ออกมาจากความเช่าโศกร้องให้พิไรรังพันออกมาจากตัวไม่รู้ในเมื่อพระองค์ใช้รธรรม เขาไปสู่จุดนั้นพระ อ, องค์ก็ได้แก้ไขปรับปรุงจนชําระกิเลสราคะโทสะโมหะ ก, กระเด็นกระดอนออกจากพระไพรของค์ใจของพงค์เป็นใจที่บริสุทธิ์ถึงจิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นจากเครื่องจองจําคือกิเลสราคะโทสะโมหะหลุดออกมาเป็นใจบริสุทธิ์เป็นอมตะชาตอตามตะธรรมพระ อ, องค์ประกาศด้เลยว่าเราไม่เกิดอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราแล้ว เราจะไม่เกิดอีกแล้วนี่แหละนี่พระองค์ประกาศในวันเดือนหกเพนนนั้นเพราะฉะนั้นวันนั้นพระองค์ได้ตัดสรุธธรรมสามอย่างปุเพเนวาสานุจติญาณลึกชาติผลหลังได้จุตูปปาปฏิญาณการจุดติของสรรพสัตว์แล้วอาสาวัคายญาณญาณอย่างรู้ว่าพระองค์หมดกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วนี่แหละคือพระพุทธเจา้าแต่จะไี้มาหลวงพ่อจะมา นำทำคําสอนของสายของหลวงปู่มั่นของพวกเราหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เทพหลวงปู่ต่างๆที่พวกเราให้ความพรักเคารพนับถือในยุคปัจจุบันแล้วท่านแนวยึดแนวแถวของหลวงปู่มั่นอย่างไรที่นํามาแนะนําสั่งสอนลูกหลานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาเหล่านั้น ท่านก็ได้ศึกษาพุทธประวัติของพระพุทธเจา้าจากนั้นท่านก็ได้แบกกรดตะไพยบาดเข้าไปหาป่าโรงโพงพัยอยู่ในถ้ำอยู่ในเหวอยู่ในป่ารกชัดป่าช้างโรงเสือสมัยก่อนเนี่สมัยเมื่อแปสิบเก้าสิบปีให้หลังหลวงปู่มั่นยังมาอยู่ที่น้ำจกจุงทองพวกเราเชื่อไหมขนาดนั้นลหละ หลวงปู่มั่นท่านยังมาเข้ามาในป่าหวงพงไพถึงขนาดนี้ท่านอยู่เมืองจังหวัด อ, อบุบลท่านอยู่ที่แถวมุกดาหารคําชี อ, อีที่บ้านเกิดของหลวงพ่อท่านเข้าไปอยู่แถบนั้นจากนั้นท่านยังเลยเข้ามาอยู่แถบนี้อีกหลวงปู่มั่นทรานจะว่าไปแล้วไปทุกหัวและแห่งของประเทศในภาคอีสานแล้วท่านมาเพื่ออะไรท่านมาสอบแสวงหาทางของท่านมาหาความสงบของท่าน ท่านจะไปในสถานที่กลัวๆไปสถานที่คนทั้งหลายกลัวเออพี่บอผีสางนางไม้อะไรท่านจะไปไปภาวนาไปดูภาวนาเพื่ออะไรทําให้จิตใจของท่านกลัวพอกลัวและจิตใจไม่ส่งออกนอกเพราะจงไม่องค์ท่านบริกรรมจิตใจของท่านรวมสงบเมื่อจิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งแล้วท่านรู้ได้ว่าเออทำคําสอนของพระพุทธเจา้าเป็นของจริง เน่ปฏิบัติตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะท่านถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่สายหลวงปู่มั่นท่านจะยืนยันด้วยกันทุกองว่าตายแล้วไม่สูญเพราะห้หุใดเพราะท่านปฏิบัติท่านภาวนาของท่านตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดเอาไว้ปฏิบัติตามพอจิตสงบเข้าไปแล้วจะรู้ได้อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวว่าใจกับกายนนะั้เหมือนรถกับคนขับรถไม่เป็นอย่างอี่ จากนั้นเมื่อพระ อ, องค์หลวงปู่มั่นท่านก็นแนะนำสั่งสอนถิ่นแนะนาแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านเรียงลาดับขึ้นมาเลยถิ่ท่านบอกวันนี้นะพวกเราท่านทั้งหลายก่อนที่จะหลับนอนควรจะไหว้พระสะก่อนอาหารสัมมาสวาคโตสุปฏิปันโนนโมเตสะพุทธังธํรมังสังขังสุดแท้แต่ใครจะไหว้พระอะไรไรอิติปิโสสวาคโตสุปฏิปันโน จากนังนก็พูด ท, ทางธรรมังสังขังสรณังกจามิกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึง่งจากนั้นก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาอาหารสุขิโตมิณิทุขโหมิแต่ถ้าไหวได้เป็นภาษาใจของเราก็ได้นั่งประนมมือขึ้นมาแล้วว่าข้าพรเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นจัตอื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพรเจ้าต้องการ อย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาข้าพเจ้าขอมอกกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตลอดไปและจะกราบพุทโธธมโมสังโหนิพพานังนิพพานังหลวงปูล่ลาธรรมบอกเลยให้กราบเราไม่ใช่กราบเป็นพิธีเท่านั้นเรากลาบแต่ละครั้งเพื่อหวังมรรคผลนิพพานหวังภันิพานาที่จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกนะ อั น, นแรกคือวิธีการไหว้พระเริ่มต้นจากนั้นเมื่อไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นครวญญาติโยมอยู่ในบ้านเราจะกราบในห้องพระก็ได้และกราบในที่นอนของเราก็ได้หรือยังทีอยู่ในที่ในว่างๆในหมู่บ้านหรือนอกบ้านของเราก็ได้แต่พอไหว้พระในห้องพระเสร็จแล้วกเดินออกหาที่ภาวนาในบริเวณหรือมุมบ้านของเรามุมสงบในขณะที่เรานั่งภาวนานะ ดับโทรทัศน์วิทยุเอออะไรวก่อนขนาดโทรศัพท์ตัวเองก็ให้ดับเอาไว้อย่าไปเปิดเพราะมั น, มนเป็นอุปสรรคบางทีเรานั่งภาวนาเสียงเก้งกล้ากขึ้นมาเนี่ยทำให้จิตใจของเราเออถอยออกมาได้เพราะนั้นเวลาเรานั่งภาวนานให้ตัดหมดแล้วก็บังคับตัวเองให้พยายามนั่งให้นานที่สุดอย่าให้ถืออย่างอื่นเป็นอุปสรรคไม่ใช่ว่าพอนั่งภาวนาไปแล้วก็คิดจะไปทุ่ คิดจะเปน็นี่หาทางออกอยู่นะอันนั้นคือตัวกิเลสเน่มันหลอกตัวเองอยู่ตลอดไปล่ําเวลาเพราะฉะนั้นจะให้มันหลอกในขณะที่นั่งภาวนาข้าพเจ้าจะนั่งภาวนา30นาทีก็ตั้งจิตตั้งใจนั่งภาวนาเนีย่ยวิธีการนั่งภาวนาได้ทําอย่างไรไถ้าพวกเรานั่งในที่ลาบไปได้เรานั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ก็ประนมมือประนมมือที่เรานั่งเก้าอี้นั่งย่อนขาปนมือขึ้นในระหว่างอก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 อันนี้คือแผ่เมตตาสก่อนทำให้จิตใจของเราอ่อนโยนซะก่อนคือเราไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครๆทั้งหมดในไตรโลกธาตุนี่เพราะนั้นเราทาใจให้อ่อนโยนจะนั่นแภาวนายแต่พระพุทธเจ้าท่านหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกแต่หลวงปู่มั่นท่านว่าในเมื่อกำหนดลมหายใจเข้าออกเฉยๆมันยังมีช่องว่างทำให้จิต ใจของเราผู้รู้ของเราใจของเรา เ, เล็ดลอดออกไปได้เพราะนั้นท่านจึงให้บริกรรมหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโธพุทโธพุทโธฮะนี่แหละคือหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนท่านสอนครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาสายหลวงปู่มั่นแล้วท่านจะสอนในแถวแนวเดียวกันว่าให้กําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโธ กรรมฐานนี้ถูกเกือบถูกกับทุกจริตเกือบพุกจริตวิตกจริตราค้าจะจริตโทสังคติโมหจริตแต่จะถูกกับทุกจริตท่านว่างนั้นแต่ว่าไม่ท่านว่าไม่ถูกไม่ใช่ไม่เจ้ถูกกับทุกจริตไม่ใช่เกือบทุกจริตนะเะพราะฉนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะเวลานั่งภาวนาะแต่เนี้เรานั่งเราจะนั่งครับนั่งจะออกจริงจังถ้าไม่นั่งเก้าอี้เราควรจะนั่ง ในที่ลาบคนนั่งในที่ลาบเนี่ยเราเอาจิงเอาจังเรานั่งขัดสมาธิเหมือนกับพระประธานนั่งอยู่ต่อหน้าของพวกเราเนี่ยนั่งอย่างนั้นขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับหา้างมือซ้ายแต่ถ้าฮาวะนั่งพับเพียบมันจะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมันจะหนักไปข้างใดข้างหนึง่งแต่ถ้าเรานั่งสมาธิคัดสมาธิอย่างนั้นตัวมันจะตรงแล้วมันจะอยู่ในระหว่างตัว จากนั้นก็ปนมือขึ้นระหว่างอกอย่างที่ว่าไหว้ครูซะก่อนพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงอย่างที่ว่าวิกรรมพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องและไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกในหลักพิธีกรรมฐานของหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนนะเพียงแต่ให้มีสติสัมปะชัญญะในปลายจมูกที่ลมกระทบที่ปลายจมูกเหมือนเรายืนอยู่ข้างประตู คนเข้ามาเราก็รู้แต่ไม่ต้องตามเข้ามาศาลานะเราคนออกไปเราก็ไม่ต้องตามลงลงไปถึงบันไดเพียงแต่ให้รู้ว่าคนเข้าคนออกคนเข้าคนออกเท่านั้นเองอันนี้ก็เหมือนกันให้พวกเรากำหนดที่ปลายจมูกที่ลมกระทบหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทพุทโทพุทโทเนี่ยนี่แหละอันนี้แหละคือวิธีการภาวนาและวิธีการเดินจงกลมละนะ่ะ วิธีการใดคงคืออริยอริยบทสี่ยืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนเยอริยบทสี่เวลาเดินจำทำยังไงถ้าว่าเราเดินอยู่ในบ้านของเราเรากำหนดเส้นทางอย่างน้อยสักสี่ห้าสัก1ิก้าก้าก 19, 29, อย่าให้สั้นเกินไปถ้าสั้นเกินไปทำให้เราเวียนศรีรษะแต่ถ้าว่าเราทางทำยาวเกินไป อันนั้นก็จะทำให้เราขาดการกำหนดเส้นทางมันยาวเกินไปบางทีพกปรลงรแมลงพกสัตว์ทั้งหลายจะมาในระหว่างกลางนั้นได้เพราะนั้นท่านจึงให้ประมาณแค่ยี่ก้าวพอดิบพอดีเวลาเรากำหนดเส้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปยืนอยู่สุดช่อทางสุดทางชกข้างใดข้างหนึ่ง แล้วก็ประ น, นมมือขึ้นระหว่างไหว้ครูสัก่นันพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือวางตรงในในระหว่างท้องท้องน้อยนะมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นก้าวเดินขวาขาขวาพุทขาซ้ายโธพุทโธพุทโธพุทโธเดินตามปกติไม่ต้องเดินช้าถ้าเดินช้าจะทําให้เวียนศีรษะ เดินตามปกติเหมือนกับเราเดินไปทำธุระทั่วๆไปเดินขาขวาพุทธเพียงแต่ให้มีสติสัมปชัญญะในการเดินไม่ให้คิดไปทางอื่นขวาพุทธขาซ้ายโถอันนี้แหละคือวิธีการเดินโยกรมแต่ทุกวันนี้ก็มีผู้พูดขึ้นมาหลวงพ่อเคยได้ยินบอกว่าทำไมเราจึงเอาพุทธโธมาเหยียบยำ่ำเอามาใส่เท้าของเรา เราไม่มีการจะไม่เสียการเคารพหรือเ อ, เอาพุทโทรมาเหยียบบนเท้าของเราอันนี้พวกเราไม่น่าจะคิดอย่างนั้นไม่ควรจะคิดอย่างนั้นอีกต่างหากนะ่ะเพราะเหตุใดร่างกายของเราตั้งแต่ศีษะของเราจนถึงฝ่าเท้าจนถึงเท้าใครให้ความสําคัญว่าเท้าสูงเท้าต่ําศีรษะสูงใครเป็นคนให้ความสําคัญ ใจของเราให้ความสําคัญว่าศีรษะสูงเท้าต่ําศีษะมันก็ไม่ได้ว่ามันสูงเท้าก็ไม่ได้ว่ามันต่ําเพียงแต่เราให้ความสําคัญว่าเท้าต่ําศีษะ ส, สูงเท้าต่ําทะเนัเราให้ความสําคัญเพราะฉนั้นเราอย่าไปให้ความสําคัญแต่ให้ความสำคัญเสมอภาคกันทั้งหมดในร่างกายของเราเราอย่าไปคิดว่าเท้าต่ําถ้าเราคิดว่าเท้าต่ําเท้าไม่ดีใช่ไหมลองลองตัดเท้าทิ้งดูซิ เอาศีษะเดินได้ไหมมันเดินไม่ได้มันต้องอาศัยซึ่งกันและกันเพราะนั้นทั้งเท้าทั้งศีษะมีคุณค่าเสมอกันทั้งหมดในร่างกายของเราเพราะนั้นเมื่อมีร่างกายเสมอกันเราจะเอาพุทโธไว้ที่ไหนได้ทั้งนั้น เ, เพราะว่ามีมันเสมอภาคกันมีคุณค่าเสมอกันเพราะนั้นขอให้พวกเราอย่าพิตกกังวลในเรื่องเหล่านั้นเพียงแต่ให้มีสติสัมปชัญญะ ในการก้าวเดินนี่อันนี้เราวิธีการภาวนาวิธีการยืนแล้วทำยังไงยืนก็จืดพิงต้นไม้พิงฝากระดานพิงพิงฝาถ้าเวลานอนเกิดหน้านอนบริกรรมพุทโธนอนแต่แขงขวาแต่หลวงพ่อไม่แนะนําในการนอนเพราะนอนไม่บริกรรมไม่กี่ทีมันก็หลับแล้วนี่นแต่วิธีการเดินกับการนั่งแต่วิธีการนั่งทีนี้ กรรมฐานของพระพุทธเจ้าวางไว้หลายๆอย่างสี่สิบอย่างแต่หลวงพ่อขอแนะนําคณะสัต ย, ยาญาณโยมลูกหลานสักสามอย่างในการนั่งภาวนาอันดับแรกคือหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทยอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวอันดับที่สองคือให้บริกรรมเอาความรู้อยู่ที่ใจที่มันเึกคิดมันปรุงพุ้งมันเอาไม่อยู่มันคิดเครื่องต่างๆให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทธโธสำทับ อยู่ในจิตอยู่ในใจของเราที่ตัวผู้รู้รู้เ อ, อย่าให้มันจิตใจปุงฟุงออกไปข้างนอกให้พุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธอันนี้คือวิธีการภาวนาสามทัหคือว่าให้ใจบน่นให้ใจสาธะยายให้ให้ใจพูด ใ, ให้พุทธโธอย่างเดียวไม่ให้ส่งไปข้างนอกพูดแท้ทีเย็บอันนี้ก็คือวิธีที่สอง่วนวิธีที่สามนั้นถ้าวัาใจของเรายังปุงออกไปข้างนอกอยู่ มันจะสวัสด์บอกไปข้างนอกอยู่ให้พวกเรานับดูสิหลวงพ่อแนะนำเนะ่ะนับดูหาย ใ, ใจเข้าหนึ่งหาย ใ, ใจออกสองให้ใจเข้าสามให้ใจออกสี่นับถึงร้อยแล้วให้ย้อนกลับมาหายหนึ่งอีกแล้วก็นับถึงร้อยสักสามสี่ห้าครั้งถึงสิบครั้งใจพวกเรามันเถอะไหมมันออกไหมมันหลุดไปไหมคำว่าหลุดคำนี้คืออะไรให้เราสังเกตดู เวลาเรานั่งภาวนาหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองเวลาหายใจเข้าเป็นเลขที่เวลาหายใจออกเป็นเลขคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกพวกเราสังเกตดูนะจนถึงว่าหายใจเข้าห้าสิบสองหายใจออกหายใจเข้าห้าสิบเอ็ดหายใจออกห้าสิบสองอันนี้ก็ยังเป็นเลขคู่แต่ถ้ามันจะเบอเบอร์มันจะเถือเนี่ยมันหายใจเข้าห้าสิบสอง หายใจออกห้าสิบสามมันผิดแล้วนะถึงนี้หรือว่าเราไปถึงไหลเผลอแล้วหายใจไปถึงสิบนับไปถึงสิบก็เผลอแล้วหายใจเข้าแปดหายใจออกเก้าถึงนี้ผิดแล้วหายใจเข้าหกหายใจออกเจ็ดกันมันก็ผิดแล้วเพราะเหตุไรเพราะมันหายใจเข้าเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขคี่นี่ผิด คือเราตั้งใจหายใจเข้าหนึ่งเป็นเลขคี่หายใจออกสองเป็นเลขคู่ น, ะนี่แหละให้พวกเราสังเกตดูถ้าว่าเราภาวนาไปแล้วเราเผลอจิตบ่อยๆขนาดนับไปถึงสิบเป็นจังเผลอนะ่ยไม่น่าไว้ใจนะคนขาดจิตขนาดนั้นแล้วไม่น่าไว้ใจไม่น่าไว้ใจตนเองเพราะเหตุไดเพราะพร้อมที่จะเป็นเข้าสู่โรงพยาบาลศรีธัญญามหาโพธิ์ได้หรือไม่ันนะ พะอะไรพอมันขาดสติอย่างมากเพราะนั้นให้พวกเราตั้งสติให้เข้มแข็งฝึกขัดสติเข้าสู่ในตัวของเราถ้าพวกเราฝึกขัดสติดีแล้วนั่นแหละเทเนเ่ความสงบผาสุกก็จะเกิดขึ้นในจิตในใจของเราจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบนีจิตสงบแล้วเป็นอย่างไรนี่วั น, นี้หลวงพ่อจะแนะนำเรียงลาดับให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาในสายปฏิบัติสายกรรมฐาน ที่พ่อแม่กูบายอาจารย์สายหลวงปู่มันเมื่อจิตสงบเป็นยังไงเราภาวนาจิตใจของเราไม่พุงไม่ผงไปที่อื่นจิตใจของเราอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดมีสติสัมปชัญญะอยู่ในตัวเองจากนั้นใจของเราจะเข้าสู่ความสงบใจของเราจะเข้าสู่ความสงบมันเย็นวาบในความรู้สึกคาว่าเย็นคานี้เนี่ยไม่เคยมีมาก่อนเมื่อจิตใจเย็นมีความรู้สึกเย็นผิดปกติเย็นจนไม่ลืม เออโอ้โหแล้วมันเป็นอะไรใจของเราเมื่อกี้เนี่ยทําไมมันมีความสุขล่ะเกินออกมาแล้วเรายังจําได้อยู่ว่าใจของเรามีความสุขในขณะที่เรานั่งภาวนานี่แหละท่านว่าจิตที่เป็นสมาธิอันดับแร ก, กคือคณิกะมันเป็นชั่วขณะหนึ่งเรียกว่าคณิกะสมาธิแต่เราอยากจะให้มันเป็นอีกอย่างก็เอาเรานั่งข้างหน้าเอ้ยอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นมันจะไม่เป็นนะอย่าอย่าไปคิด เราไม่ต้องคิดถ้าอยากจะให้มันเป็นเราพยายามทำไปเรื่อยๆออแล้วกาหนดไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดออมันจะจะเป็นหรือมันไม่ไม่เป็นเราอย่าไปนสนใจใหม่เพราะมันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วเพราะนั้นให้เราภาวนาพุโทโธพุธโทโธตั้งต้นใหม่เนี่แหละต่อไปเมื่อเราทำถูกทางแล้วใจของเราจะเข้าสู่ความสงบลงเป็นอันดับสองเลยอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่สงบ แต่ว่าจิตใจของเราเนี่ควบคุมใจของเราสติของเราควบคุมจิตของเราจิตคิดเรื่องอะไรใจของเราคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เดี๋ยวนี้สมาธิคือว่าสติของเราเนี่ยควบคุมจิตได้มันไม่ปุงไม่ฟุกงไม่ซ่านจิตใจมันอยู่เพื่อนเถอะอยู่อยู่ในกรอบของสมาธิของสติในเมื่อจิตของเราอยู่ในกรอบของสติจิตใจก็ไม่หิวไม่หวย จิตใจไม่ปรุงไม่ฟุ้งไม่ซ่านจิตใจอยู่ในกรอบกําหนดอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอ น, นแต่เราได้ยินเสียงอยู่นะเสียงคนพูดเสียงอะไรได้ยินแต่ใจของเราไม่ส่งไปตามเพราะเหตุใดเพราะจิตของเราเป็นสมาธิจิตใจของเราอยู่อยู่ในความสงบในช่วงนั้นนะนนี้เราจิตที่เป็นอุปจารสมาธิแต่จิตจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิมันติดลงไปอีกหนเหมือนกับตกเหวตกบอก่อมันเหมือนกับมีอะไรมันพูดว่าลงไป สู่ความสงบจากนั้นเมื่อสู่ความสงบแล้วจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติเป็ น, อ, นอันใดจิตเป็นอันนั้นคือสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่เราไม่เผอนะเรานิ่งมีความสุขในจิตสงบนั้นเสียงต่างๆจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าฝ่าเสียงรถเสียงราเสียงคนคุยกันไม่ได้ยินทั้งหมดใครข้าว่าจิตเป็นเอกเทศจิตตัด ออกจากร่างกายจิตเป็นส่วนตัวใจของเราเป็นส่วนตัวนี่แหละจากนั้นพอมันหมดกำลังมันก็ถอนขึ้นมามาสู่อุปจาระอุปจาระสมาธิเมื่อเจนอุปจาระสมาธินั่นแหละเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูงจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิจะบอกบ่งชัดเจนเลยว่าตายแล้วไม่สูญชัดเจนเลย เพราะเหตุร่างกายเป็นอันหนึ่งจิตใจนั่นเป็นอันหนึ่งชัดเจนในความรู้สึกของเราเพราะนั้นขอให้พวกเราศึกษาในเรื่องสมาธิเพียงแค่นี้เราก็รู้เลยว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเน่เพราะนั้นพระพุทธองค์ว่าอย่าทำกรรมชั่วกรรมชั่วนั้นจะให้โทษเมื่อภายหลังเน่เพราะนั้นในเมื่อกิถอนขึ้นมาเป็นอุปจารสมาธิเราจะนามาพิจารณาเดินทางวิปัสสนาได้ที เดินวิปัสนาที่พูดมาทั้งหมดคือสมัติฐาคือทําจิตให้ใจให้สงบแต่เมื่อเราเดินสมัตวิปัสนาเดินยังไงคือเดินยังไงคือกําหนดดูพบพระติเจ้าท่านให้พิจารณากรรมฐานห้าเถิกรรมฐานหน้าคือเกสาคือผมโลมาคือขนนัขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังอันนี้คือกรรมฐานห้า ท่านให้พิจารณาเข้าไปส่วนเลือดอีกมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเสี้ยในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้คืออยู่ในร่างกายของเราจริงไหมเนี่อันนี้คือพระพุทธเจ้าให้เห็นตามความเป็นจริงคือธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เห็นตามความเป็นจริงเออมันเป็นอย่างไรให้พิจารณาให้เห็นอย่างนะั้นกระดูกเรามีเท่าไหร่ กระดูกศีรษะกระโหลกศีรษะกระดูกคอกระดูกแขนกระดูกขากระดูกชี้โครงกระดูกสันหลังมันเป็นกระดูกมันโครงโครงสร้างของร่างกายของเรามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมเนี่ยพระพุทธองค์ให้เห็นตามความเป็นจริงในเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นของเราจริงหรือเนี่ยในเมื่อเราทำจิตใจให้เป็นสมาธิแยากกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกายเมื่อเป็น จิตรวมเป็นอปปนาสมาธิมันเห็นได้ชัดมันเห็นร่างกายของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจิตใจของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในเมื่อเรามาพิจารณาร่างกายเราก็เห็นได้ชัดเกณฑ์ว่าร่างกายเนี่ยมันตายมันแตกสลายแน่นอนนะขาดร่างกายตัวเองมันยังตายอย่างมันยังใช้มันมันยังบังคับไม่อยู่มันไปตามสภาพของมันแล้วเมื่อร่างกายแตกตายสลายลงไป ร่างกายนี้เอาไปเผาไฟมันยเหลือแต่กระดูกแต่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายเป็นของเราได้อย่างไรในเมื่อร่างกายของเรายังไม่ใช่ของเราสามีภรรยาลูกหลานวงสานาญาตตึกลานบ้านช่องเงินคําทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์จะเป็นของเราได้อย่างไรเนี่ยใจของเราก็จะเห็นนะ่เห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายไม่ใช่ของเรานะมันเป็นเบี้ยเพี้งพึ่งพาอาศัยกันชั่วขาวเท่านั้นเอง จากนั้นจิตใจของเราเมื่อพิจารณาเหตุตามความเป็นจริงใจของเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่น เ, เห็นตามความเป็นจริงจะไปยึดมั่นถือมั่นร่างกายสังขารได้ยังไง ร, ร่างกายสังขารมันค็มีแต่แตกๆแต่แตแตแตแต ส, สลายสู่ดินน้ำลมไฟท่านเองใจของเราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเลานั้นก็เป็นทุกข์เลยสอเพราะนั้นมันปล่อยวางที่ใจใช่ นี่ยแหละหลักของพระพุทธศาสนาถ้าเราศึกษาดูแล้วใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าจริงๆแล้วเมื่อเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันเบื่อที่ไหนคลายที่ไหนไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ไหนไ ม, ไม่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ที่ใจปล่อยวางที่ใจเมื่อปล่อยวางที่ใจใจของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสพระพุท้แจ้งเห็นจริงแล้วจากนั้นเขาไม่เมาเวียนไหว้าตายเกิดพร้อมที่จะประกาศได้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายน เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่ทนานศรัทธาโยมทุกคนนะหลักของพุทธาศาสนาเนี่ยมีจุดจบเนีคือทางพ้นทุกข์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดสรุปแล้วก็คือให้เกิดความพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายอยู่ที่จิตที่ใจของพวกเรามรรคผลนิพพานไม่ใช่อยู่ที่ไหนนะมันอยู่ที่ใจความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจความทุกข์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้น เรื่องความสุขความทุกข์ม่อยู่ที่ไหนเหมือนกับความโง่กับความฉลาดมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในจุดเดียวกันเมื่อเราเรียนรู้ความโง่ก็หายไปความฉลาดก็ขึ้นมาแทนที่สมัยก่อนเราไม่รู้กอไก่ขอไข่ A B C D 1 2 3วันปูทีโฟไฟเราไม่รู้แต่เมื่อเราเรียนรู้แล้วความโง่ที่เราไม่รู้นะั้นมันก็ตกไปความฉลาดที่หรือความรู้นะั้นมันก็มาแทนที่ นี้ก็เหมือนกันเมื่อเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วความไม่รู้มาแต่ก่อนมันก็ตกไปตัวอวิชชาตัวที่รู้ก็เกิดขึ้นมาเป็นอมตะาธาตุอมตะทับตะทมเข้ามาแทนที่จิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเพราะนั้นขอให้พวกเราจถ่ายญาติโยมนะ ท, ทุกทุกนนะอันดับแรกหลวงพ่อได้กล่าวความเป็นมา วันพุ่งนี้จะมีการทอดกระถินสา ม, มัคขีที่วัดป่านาคำน้อยของพวกเราจากนั้นหลวงพ่อได้กล่าวเตือนจิตตุ ป, ปัจจัยที่ได้มาในพระพุทธศาสนาควรใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าพวกเราโง่เช่อย่างเดียวจะเป็นพระกตามจะเป็นครวญแก้วหลวงป่าใช้ไม่เกิดประโยชน์ใช้ให้เป็นโทษก็เป็นโทษจ้างวานให้คนอื่นฆ่ากันไปชื่อ ยาบ้าคาชายาฝิ่นเฮโรอีนกินเหล้าเมายาซื้อสัตราอาวุธมาเพื่อประหัตรประหารกันล้วนแล้วจะเป็นโทษทั้งนะั้นแต่ถ้าว่าเราทําให้เกิดก็คืนเป็นคุณประโยชน์ส่งเสริมให้ประเทศชาติบ้านเมืองพ่มเย็นเป็นสุขสร้างโรงรําสร้างโรงเรียนสร้างถนนหมนทางสร้างโรงพยาบาลใครตกทุกข์ใดยากก็ช่วยเหลือเจือจานจื่นกันละกันอย่างทุกวันนี้น้ำท่วมเราก็ช่วยเหลือกันจึงกันละกัน อันนี้แหละถ้าเรามีมาแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเมื่อให้เป็นโทษก็เป็นโทษเพราะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตของพวกเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้ว่าจะล้มหายตายจากไปเมื่อไรให้เตรียมพร้อมให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ทำไมพระพุทธเจ้าจริงนี้ไปบวชจะทาไมจริงบาเพ็ญ ที่ได้บำเพ็มันหกปีนั้นพระพุทธเจ้าได้กัดรู้อะไรปูกเพเในวาสานุจิติยานจถูปปาตายญาณอาสาวกยญาณยาในวันเดือน6กปีนั้นจากนั้นหลวงปู่มั่นที่ท่านยึดแนวแถวของภูพระพุทธเจ้าท่านภาวนาตะพายบาทแบกกรดเข้าสู่ป่ารงพงไพยไปศึกษาค้นคว้าเรื่องจิตวิญญาณเรื่องของใจ จนเป็นที่ยอมรับในใจของท่านจากท่านท่านก็แนะนําสั่งสอนสิบญานุสิทธิ์ของพวกท่านของท่านจากนั้นพวกเราก็ได้รับธรรมคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราก็ได้นํามาประพฤติปฏิบัติถ้าพวกเราเอาจริงจังอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ปัดพาปฏิบัติมาแล้วพวกเราจะเชื่อมั่นในตนเองไม่ต้องถามใคร นี่แหละขั้นตอนในการประพฤติธปฏิบัติหลวงปู่มั่นท่านสอนยังไงปฏิบัติยังไงนั่งภาวนาอย่างไงไหว้พระอย่างไงแผ่เมตตาอย่างไรเน่จากนั้นก็จิตใจก็สู่ความสงบและเป็นยังไงคณิกาอุปจาระอปปนาสมาธิจากนั้นเมื่อเป็นเมื่อจิตสงบแล้วพิจารณาอะไรเดินปัญญาจะไหนเดินวิปัจนาอย่างไรเน่ให้พิจารณาถึงกัมมฐานหาเกสาโลมาณขาฐานตาต า, ตาโจ จากทั้งกับพิจารณาดูร่างกายดูใจจากนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึมมั่นถือมั่นนี่แหละธรรมะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจปฏิเสธทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราจากนั้นปฏิเสธกระทั่งใจใจอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวของเราเอีกอย่าเพ้อเหตุใจเพ ร, ะ, เเพระมันนึ ก, น ก, นกคิดคิดถึงนึกเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงมือนกัน สิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนะั้นสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ชไมใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตาเนะี่ยเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะในวันนี้หลวงพ่อได้เรียงลำรับในการภาวนาในการปฏิบัติให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพราะพวกเราอาจจะได้ยินแต่เรื่องทานเรื่องศีลธรรมดาแต่เรื่องภาวนาจิตภาวนาเนี่ยพวกเราก็คงจะไม่ค่อยได้ยินแต่ศึกษาอยู่อยากจะรู้อยู่อยากจะปฏิบัติอยู่ แต่ว่าไม่รู้ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะนั้นนั้นหลวงพ่อจึงได้แนะนำในขั้นหนึ่งในระดับหนึ่งให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาจากนั้นพวกเราจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงการกระทำของพวกเราจะได้ถูกที่ถูกทางไปนสถานที่ใดก็ไม่เขิะเขิน เ, เ, เ, เดิ น, ดนยังคมเดินยังไงก็เดินได้เดินตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นพาเดินนั่งภาวนานั่งยังไงก็นั่งได้ และพิจารณาทำย่งงก็พิจารณาได้เนี่ยเพราะว่าเราได้ศึกษาเกิดใหญ่ตามพ่อกอตามครูไงนะครูคือหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราแนะนำสั่งสอนมานหลวงพ่อแนะนำสั่งสอนคณะสทาญ า, านโยมลูกหลานหลวงพ่อก็ดื้ดแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คิดว่าไม่ผิดมั่นใจในการแนะนำสั่งสอนของหลวงพ่อวันนั้นวันนี้หลวงพ่อได้แนะนาสั่งสอนลูกหลาน เป็นระยะ ย, ยาวนานทีเดียวในวันนี้แล้วก็การพูดการแสดงธรรมกล่าวสมตดทานยกถาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้คุ้มครองพวกเราประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใด อยู่ในกรอบขอบเขตของศีลธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปราถนาทุกประการเทิน